วันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่พิเศษคือสงกรานต์ข้าวปริมาพันศาตามประเพณีทิยมพุทธานวาุวัตพุทธานุญาตของพระผู้มีพระภาคเจ้า เรื่องของการเขา้าพรรษานั้นประเด็นที่สำคัญอยู่ที่การตั้งจิตอธิษฐานใจที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามทำให้ได้จริงๆแต่เนื่องจากเป็นระดับของวินยัยการไม่ทำตามที่อธิษฐานไว้ก็มีโทษตามพระวินัยด้วยแต่ในระดับของธรรมะปฏิบัติแล้ว ผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจะพบว่าคนเราจะกระทาอะไรก็ตามจะต้องมีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจกันตัวเองที่ท่านเรียกว่าอธิษฐานหนรืออธิฐานการตั้งจิตมั่นไว้ที่จะประพฤติที่จะกระทาเช่นนั้นให้ได้แม้กระทาไปตั้งหลายครั้งแล้วอดประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นก็ยังไม่ปรากฏชัดเจน แต่ก็ไม่ท้อถอย ท, ท, ท้อทิ้งความเพียรพยายามในระหว่า ง, งกระทำต่อไป้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะเป็นพระรมศาสดาของพุทธศาสนิชนทั้งหลายย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีว่าอธิฐานาคือการตั้งประไทยเด็ดเดี่ยวของพระองค์ที่จะเสด็จออกประนุดและจะต้องพยายามสวยงาหนทางเพื่อสัจสรูให้ได้ แตั้งพระไทยไปเช่นนั้นแล้วปรากฏว่าถูกปรามานมาตัดรองขัดขวางห้ามปรามด้วยวิธีการต่างๆตลอดถึงลอดโดยผลประโยชน์คือความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่พระไทยของพระคููติศัก็ไม่ได้บันไว้ไปตามคำกล่าวของปรามานในขณะนั้นก็นี้เป็นสังเกตว่าคนเราเวลาต้องการจะกระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น จะมีความรู้สึกเป็นมานคอยขัดขวางคอยตัดรอนเพื่อไม่ให้เราสามารถทำความดีได้ตามที่ต้องการเป็นสภาพของจิตเป็นเช่นนั้นเองอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเมื่อกุศลและเจตนาปรารถนาที่จะกระทาความดีบงังเกิดขึ้นอกุศลและเจตนาต่างๆก็จะเกิดขึ้นขัดขวาง ว่าจะในชั้นทานในชั้นศีลในชัน้นววามเป็นภาวนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็สังเกตว่าบางครั้งกุศลเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะให้ทานแต่ว่าทำไม่ได้ตามที่ต้องการในครั้งแรกแต่บางครั้งแม้จะทำได้ก็จะมีการลดหลั่นกันลงมาคกอมีการต่อรองกึง่งกึ่งหนึ่งบ้างหรือว่าส่วนหนึ่งบ้าง ไม่สามารถทำได้ตามเจตนาดังเดิมที่ตั้งเอาไว้สภาพจิตที่มันเปลี่ยนแปลงตกต่ำลงไปเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความสนิความโลภความหวงมีกำลังมากกว่ากุศลในเจตนาที่ต้องการจะ บ, บริจาคทานจนถึงบางครั้งบางคราวก็ทำไม่ได้เลย ต้องผัดบ อ, อต่อต่อรองไว้ว่าจะทําในโอกาสต่อไปในชั้นขอการรักษาศีลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะการรักษาศีลเป็นการทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปเพราตามปกติคนที่ขาดการควบคุมใจิตใจตัวเองมักจะใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มีแนวค้นไปทางสัญชาตญาณคือของสัตว์โลกทัว่วไปแทนที่จะพินิษวิเคราะห์หาเหตุหาผลมีสติสัพชัญญาระลึกรู้ตามเหมาะตามควรแก่กรณีนั้นๆแต่จะใช่อารมณ์เป็นหลักเพราะเมื่อมีอะไรก็ตามมากระตุ้นคือกระตุ้นมาจากข้างนอกหรือว่าเป็นความสึกที่เกิดขึ้นจากข้างใน การเบียดเบียนปัสสาวะรายร่างกายทรัพย์สินคุกครองหลอกลวงคนอื่นเป็นต้นกขต้องการที่จะทำไปอย่างนั้นจงมีคนเป็นจำนวนมากที่ทำไปตามอารมณ์สร้างปัญหายากกรรมขึ้นมาในลักษณะต่างๆแต่มีคนเป็นจำนวนมากเหลือเกินเป็นกันที่มันเกิดความคิดขึ้นจริงแต่ว่าควบคุมไม่ได้ บางครั้งก็ควบคุมไม่ได้นานๆบางครั้งก็ควบคุมไม่ได้ช่วงสั้นๆนี่แสดงถึงอาการต่อสู้ที่ยังไม่เด่นชัดว่าขวายได้ขวายนจะชนะจิตใจของปุถุชนเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเองดักนันในการปฏิบัติธรรมะบางอย่างจึงทรงใช้คำามาอธิฐานะคือตั้งจใจมั่นคง ที่จะก้าวเดินไปให้ประสบความสำเร็จได้แม้จะมีการลองผิดลองถูกซ้ำาๆซักซาเกิดขึ้นจนน่าจะเบื่อหน่ายท้อถอยแต่ก็จะไม่ยอมให้ความเบื่อหน่ายความท้อถอยมาเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนตอนเนองคราวนี้เราก็กลับไปดูที่พระโพธิสัตว์อีกช่วงหนึ่งคือหลังจากได้เสด็จปปะนนุแล้ว ในชั้นของการแสวงหาที่จริงตอนนั้นพง์ก็ไม่รู้เพื่อนกันว่าทางสัสุนคืออะไรก็ทำอย่างไรเลยไปเรียนมาจากไหนมีการลองผิดลองถูกมาตลอดบางครั้งต้องไปทรมานพระรากาอยู่จนเกือบจะเอาอประชน์มาชีพมาอยู่แต่ก็ไม่ท้อถอยแม่ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางครั้งต้องมีการยั่วยวนด้วยผลประโยชน์ต่างๆเช่นพระเจ้าพิมพิาสารทรง่อด้วยราชสมบัติในแคว้นอังคะเพื่อให้ศึกออกวัยเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันไปตนตนซึ่งเรามองดูแล้วยากนักที่จะมีคนไม่ออนไห้ไปตามนาจของอารมณ์เหล่านั้นแต่พระโพธิสัตว์จะมีพระทัยมั่นคงอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น เพราะประเด็นที่น่าศึกษาก็คืออารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อใจที่ภาษาของธรรมะทันเรียกว่า น, นิวรณ์คือสิ่งที่ขั้นใจคนไว้ไม่ให้สามารถทำความดีได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปในกรณีของความโลภ ก, ก็คือพวกกลุ่มของกามชันพระโพธิสัตว์ที่จริงไม่ใช่อารมณ์ธรรมดา เปรยมที่ลอ่อโดยตำแหน่งยิ่งใหญ่มากคือเป็นประชาแผ่นดินมีอำนาจมีบริวารมีทรัพย์สมบัติมีสิ่งต่างๆติดตามมาจากคำว่าเป็นประชาแผ่นดินอย่างเดียวแต่ด้วยประทศไ ท, ท่มั่นคงเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นถึงคนที่จะได้จากการสละละวางวัตถุกรรมทั้งหลาย ซึ่งทรงเริ่มต้นไว้ตั้งแต่เสด็จออกผระนวดมาแล้วก็รักษาไว้อย่างมั่นคงไม่ออนไหวไปตามอานาจอารมณ์ดังนั้นประการที่สองคือคนรรอเมื่อประสบความผิดหวังตั้งใจมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าสิ่งนั้นจะให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอทําทไปแล้วเกิดผิดหวัง มักจะน้อยใจเสียใจจนหมดอะไรตายอยากที่จะประพฤติที่จะกระทำลักษณะเหล่านั้นแสดงให้เห็นเืงความไม่ปั้นคงในด้านจิตใจแต่พระโพธิสัตว์จะใช้แนวลองผิดลองถูกอยู่ด้วยก่อนจะเข้าไปทดลองนั้นเป็นการใช้ปัญญาปินิพิจนาต้องการยะพิสูจน์ทดสอบ ไม่ได้ทุ่มเทศรัทธาลงไปหมดเนื้อหมดตัวจริงๆจะมีปัญญาเข้ากำกับเพราะลักษณะของอธิษฐานนั้นตึง เ, เข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ใช้ศรัทธานำไปแต่จะต้องใช้ปัญญานำก่อนที่จะตัดสินใจกระทำหรือตัดสินใจละเว้นนั้นจะต้องผ่านการใช้ปัญญาปินิจพิจารณาให้ท่องแท้เสียก่อน เพิ่สังเกตว่าอธิษฐานมันก็มีอยู่สองทางคืออธิษฐานทำรรอธิษฐานเว้นเชิงการนิสาทุชนทั้งหลายสมาทานศีลไปมา่ก่อนนั้นเป็นการอธิษฐานใจเพื่อจะงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำซึ่เป็นการละเมิดศีลทั้งห้าประการแต่พอถึงช่วงของอธิษฐานกรรมฐ า, านเป็นการอธิษฐานเพื่อกระทํา แต่ทั้งสองอย่างนั้นจะต้องกระทํามไม่ได้ส่วนใดที่ฐานใจว่าจะละเว้นก็ต้องพยายามละเว้นนิ่งๆจะให้เกิดผลสมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ก็พยายามละเว้นไปโดยลาดับเท่าที่กําลังความสามารถจะกระทําได้เป็นเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมีความประณีตมากยิ่งขึ้นคร่าๆเราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เริ่มปั๊บก็เสร็จปุ๊บ แต่เป็นเรื่องที่จะต้องมีความตั้งใจมีความเพียรพยายามกระทาไปอย่างต่อเนื่องความประณีตของงานก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับถึงจุดหนึ่งก็จะประสบความสําเร็จการปฏิบัติขัดเกลอกิเลสออกไปจากจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องเป็นเครื่องปิณิพิจารณาดูเสีก่อนว่าจะอธิษฐานเมื่อไหร่หรือไม่อธิฐานเมื่อไหร่ พระนิพสังเกตแบบสบัดในการอธิษฐานพระไทยเด็ดเดียวของพระโพธิสัตว์นั้นจะมีอยู่สองตอนแต่นั้นเองตอนแรกคือตัดสินพระไทยเด็ดเดียวว่าจะเสด็จออกพนวดในช่วงนี้จะมีใครโยกครอนอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวไปตามอํานาจของอารมณ์เหล่านั้นที่มายุยยุยยน ด, ด, ด้วยประการต่างๆ ในเครื่อเพลิมลงไหลครั้งคลายไปตามวิดสีวิสัยของชาวโลกทั่วไปแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่หวั่นไหวส่วนการศึกษาในแนวลองผิดลองถูกนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาที่ผ่านปัญญาพิจารณากรักรองไปแล้วระดับหนึ่งบอกว่าก็ควรจะศึกษาทดสอบดูถ้าไม่ดีก็ค่อยปฏิเสธได้ถ้าดีก็จะได้หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ แต่ไม่ได้ปักประไทยลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจะไม่เอาอย่าง อ, างอื่นอีกแล้วเพราะอะไรเพราะสิ่งอะไรที่ยังไม่แน่ใจนั่นไปอธิษฐานใจไม่ได้จะต้องอธิษฐานใจเมื่อมีความมั่นใจขึ้นมาเสียก่อนในฐานะที่เราเป็นศาสนิกบางอย่างก็อธิษฐานด้วยศรัทธาก็ได้โดยอาศัยความเชื่อในการศัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก แต่บางอย่างมันมีปัญญามองเหตุมองผลได้อยู่แล้วก็ใช้ทั้งกับบางศรัทธาทั้งกับบางปัญญาเป็นหลักในการอธิษฐานแต่นั้นจากประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกมาโดยลําดับของพระโพธิสัตว์นั้นบึรสังเกตว่าก็ทรงอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตอนประทับนั่งภายใต้ต้นประสีมาโพ เป็นการอธิษฐานลักษณะที่เด็ดเดี่ยวว่าเลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามหากว่าไม่บรรลุคุณโดพิเศษด้วยความเพียรพยายามของบุคคลแล้วพระองค์ก็จะไม่ลุกจากอาสระนั้นอธานิานครั้งนี้เป็นการอธิษฐานแบบยอมตายเพราะแนวรมะอ ธ, ธิษฐานจึงอยู่ในรูปของบา ร, รมีธรรมเรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีอยู่ในรูปของ ธรรมะปฏิบัติที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายทรงเรียกว่าอัติฐานธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องใช้จะต้องมีจะต้องใช้คือต้องมีอยู่ภายในใจก่อนแล้วก็ใช้ออกไปให้เหมาะวรแก่กรณี น, น, นั้นๆต้นเริ่มต้นที่การใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งนั้นๆ พึงสังเกตว่าแม่แนวการข้าวพรรษาเป็นเรื่องของวินัยพุทธานุญาตที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่กลุ่มภิกษุบริษัทคือภิกษุภิกษุณีว่สสั ม, มะเนรสั ม, ม, ะส ม, มะเนรีนาติกามานาแต่พุทธบริษัทขวายคือหักซึ่งมีมากกว่าข่ายบรรพชิตจนเทียบกันไม่ได้นั้นก็มองเห็นสาระประโยชน์ที่ตนจะได้จากช่วงข้าพรรษา เกการถวายผ้าจับนําพรรษาการถวายเทียนพรรษาการอุปถักต์บำรุงพระสงฆ์ในพัรษาการอธิษฐานประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมะในช่วงพรรษาเป็นต้นแต่ว่าตั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองเห็นคุณค่าของการกระทําเช่นนั้นแล้วและพยายามที่จะอธิษฐานคือตั้งสัจจ์อธิษฐานสัจจ์อธิษฐานอธิษฐานใจ จะต้องประพฤติจะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ตามที่ตนต้องการเมื่อเรามองกลับไปที่ลูกหลานซึ่เข้ามาปวดในพระพุทธศาสนาแต่ก่อนนั้นเธอแม้แต่ศีลห้าก็ยังเอาไม่ก็อยู่แต่ว่าพรวดพลาดก็มารักษาศีลทั้ง2องร้อข้อก็น่าจะทดลองรักษาจะรักษาศีลทั้งหประการได้มีความมั่นคงขึ้น แม้จะขาดไปบ้างแต่ว่าช่วงของการรักษาดา น, นานขึ้นอาจจะรักษาเป็นวันสองวันสาม ว, อสอวันหรือตั้งเจดวันเป็นต้นจะขาดสักครั้งหนึ่งก็สมท า, านออกไปแต่รักษาได้ตลอดไปยั่งยืนไปก็จะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นคือควรจะมีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นฐานใจเอาไว้เช่นว่า จะไหว้พระสวดมนต์ทางกอด น, นอนแล้วก็ตื่นนอนจะตั้งใจบาเพ็ญเพียรทางสมาธิจิตทําจิตใจเขาตัให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าสึกของจิตซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบในการนั่งสมาธิก็ได้เพราะประเด็นสําคัญอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็ น, น, นมากนั้นคือตัวการสําคัญที่จะทําให้ใจสงบหรือไม่สงบ อยู่ที่สัมผัสในชีวิตประจําวันของบุคคลแต่แก่การที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจะมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้วร่ากายถูกต้องเย็นดอนหนอนแข็งได้ใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายพวกนั้นมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศล ท, ทั้งที่เป็นกลางปัญญาท้าการว่าทำอย่างไรจึงจะเห็นรูปที่ก่อให้เกิดสรัทาปสาาัสสะทะ ฟังเสียงแล้วสบายใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์และอะไรแล้วมีความสงบบังเกิดขึ้นไปในใจก็พยายามที่จะปลูกฝังสติสมัมปชัญญะคือเพิ่มพูนไม่ใช่ปลูกฝังเพราะาสติสมัมปชัญญะก็มีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพิ่มพูนสติสมัมปชัญญะให้อยู่ในปริมาณที่สามารถนำออกใช้ได้ในโอกาสนั้น เลือกรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตไปจวันซึ่งเราจะอยู่ในบทใดที่จริงก็ไม่สําคัญอะไรเพราะธรรมะปฏิบัติจุดเน้นมันอยู่ที่ใจใจซึ่งมีความสงบใจซึ่งมีความรู้ยิ่งมีความรู้ดีมีความดับบังเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดที่ใจได้ก่อนแล้วมันจะกระทบมาถึงส่วนอื่นเอง นั้นเราจะพบว่าพระญาบุคคลที่ท่านบรรลุพักผุก็ไม่ได้อยู่ในเรียบทใดเดียบทหนึ่งโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้านั้นประทับนั่งบางท่านก็ยืนอย่างเช่นท่านพายาธรุจิริยะก็ยืนยืนฟังอยู่กลางถนนแตน่นันเองหรือประติสสะท่านก็นอนหรือพระนนท์นักึ่งนั่งกึ่งนอนกึ่งยืน แบางทีก็เดินไปอย่างเช่นบุคคลเป็นนั้นมากที่เดินไปแต่ใจปเป็นเหนียวนึกถึงธรรมระลึกถึงธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเพราะประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวอิริยบทแต่อยู่ที่จิตซึ่งเหนียวนึกตรึกนึกกาหนดรู้เท่าทานอารมณ์ที่ผ่านมาในขณะนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่บนนนนุนทางก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เด็กกอดจะนอนก็ได้แด็ขณะนอนอยู่นี่แหละก่อนที่จะหลับก็ใจก็มีการตรึกนึกถึงธรรมะให้สงบอยู่ที่ธรรมะถ้าทําระดับใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้ก็ใช้ระดับบริกรรมเช่นภาวนาวพ่พุโทโธพุทโธให้ใจเข้าว่าพุทธให้ใจออกว่าวพุทก่อนที่จะหลับไป หรือว่าจะทําใจให้ระลึกอยู่ที่บทพุทโทเหล่านั้นหรือจะยกบทพระพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาปิณิพิจนาเห็นว่าคืนนี้จะยกบทว่าอิติปิโสภควาคืนนี้จะใช้อรหังคืนนี้ใช้สมมาสมุโทโธเป็นต้น้วยกขึ้นมาคิดปิณิพิจาไปบ ใจก็จะมีความรอบรู้สูงขึ้นมีความของแพร่ปรากฏเกิดจิตชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความเยือกเย็นที่ตัวเองสามารถสัมผัสได้ในโอกาสนั้ น, น, นเพราะฉะนั้นการทำความเขียนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนนั้นจุดเน้นที่สำคัญผนสังเกตว่า ความเพียรที่เผากิเลสให้เราร้อนมีสติคือความระลึกรู้ทันมีสัมมัจจยะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นเครื่องมือประการสําคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในคันรองแห่งธรรมเรียว่าเป็นธรรมทโรคือทรงธรรมเป็นธรรมจารีคือประพฤติปฏิบัติธรรม ทุกิิยบทสามารถแสวงหาประโยชน์ได้เกิดเป็นความสงบได้ผู้สังเกตว่าการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนทุกอิริยาบทแม้เรารับประทานอาหารก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เรียกว่าอาหารเดรปฏิกูลสัญญาเรายืนเดินนั่งนอนก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าอิริยาบถปัปปะ เรายืนเดินนั่นนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนจะทำอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวทุกสัดส่วนของร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะอรึกรู้ท่านท่นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าสัมปชัญญะประภย์เห็นคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นใบไม้หล่นเห็นอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแสดงเรื่องความตาย แล้วเหนียวนึกเอาอารมณ์เหล่านั้นมาเป็นครูเตือนจิตสกิจใ จ, จตนเองว่าเอวังธรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตแม้เราก็จะเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี้มันก็กลายเป็นมานสติเห็นกายตนกายคนอื่นนัยามปกติกดีในยามที่ เคยหน้าผูพังไปในยามที่เป็นโรคไปไข้เจ็บในยามที่จะต้องชำระขัดถูให้เกิดความสะอาดสวยงามในต้ น, นแล้วพิจารณาถึงแง่ความจริงถึงการที่ต้องชำระขัดถูขัดสีชวีวันต่างๆก็ดีการต้องบำบัเดเยียวยารักษา็นต้นก็ดีนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นโรคในทังคือรังของโรครังการนี้ก็กลายเป็นรังของโรค เนที่ประชุมของเชื้อโรคของพยาธิน า, นาชินิตการต่อนชีวิตของบุคคลเราให้ตรัวกนลงไปโดยลําดับแต่ในสุดชีวิตก็จะต้องเปื่อยเน่าแต่ละอย่างนั้นที่จริงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานประสาทสัมผัสเราได้เห็นรูปต่างๆในความเสียงต่างๆอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมองจากสายธรรมะก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน เช่นสิ่งตังางยที่เป็นสีต่งตางๆก็เป็นพวกกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีแสดสีขาวอะไรเนี่ยตลอดถึงช่องว่างทางอากาศตั้งๆคือสรุปว่ามองไปที่ใดก็ตามถ้าหากว่ามีสติสมัมปชัญญะความเพียนประกฏุที่จิตเป็นฐานจิตให้มอง สิ่งเหล่านั้นแล้วเกิดเป็นความสงบเกิดเป็นความรู้ยิ่งเกิดเป็นความรู้ดีเกิดเป็นความดับกิเลสและเพลึงทุกข์ขึ้นมาในแต่ละขณะแต่ละขณะก็เป็นอารมณ์ของการมาฐานด้วยกันอารมณ์การมาฐานจึงมีอยู่ทุกคนทุกแข่งประเด็นสำคัญอยู่ที่สติสัมปชัญญะความเพียนที่บุคคลจะใช้ไปในกรณีดังนั้นจะมีกำลังมากพอหรือไม่ ว่าสามารถที่จะเสริมสร้างให้บังเกิดขึ้นได้โดยใช่อธิฐานะคือความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นให้ได้ในบางครั้งจะต้องต่อต้านกับกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์ซึ่งมีการปรุงแต่งจากข้างนอกหรือมีการปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาจากข้างในา แต่ถ้าติดสัพพิชยาจะลิรู้ทันตามความจริงว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นค่าศึกเป็นอันตรายต่อความสงบแต่จิตใจเราเกิด อ, อนไว้ตามคล้อยตามไปแล้วก็จะมีปัญหาแอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นแก่เราลักษณะของปัญหาเมื่อเกิดขึ้นภายในใจมันก็ออกมาในรูปของนิวรณ์ทั้งหาประการอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องของการเหนียวนึกการตรึกนึกด้วยอำนาจของความกำนัดรักใคร่พอใจยินดีมันก็กลายเป็นกามั่ันเหนียวนึกตึกนึกด้วยความรำคาญความบุญเหตุความไม่พอใจความโกรธความมาฆ่าพยาบาทคือกิเลสสายโทสะทั้งหมดเมื่อกลายเป็นพยาบาทตรึกนึกเหนียวนึกโดยความโหดหูใจหมดกำลังใจเสียใจหมดอะไรตายอยากเหนื่อยหน่ายในชีวิตมันก็กลายเป็น ที่นบิธะแต่จิตใจฟุ้งซ่านเลือนลอยมือลอยซัดสายไปในที่ต่างๆห า, าทิศทางชัดเจนอะไรไม่ได้แล้วกลายเป็นความฟุ้งซ่านาําคาดที่เรียกอุตจากจากุจจาแต่เกิดปักใจไม่แน่ใจลงไปในเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเด็นที่สําคัญสําคัญที่เกี่ยวกับพรระรัตนาไตรก็ใจสิกขานั้น แล้วก็กลายเป็นพวกวิจิกิจฉาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมานั้นจากการกระตุ้นจากข้างนอกก็ได้จะมีการโฆษณาเชิญชวนชักชวนปลุกร้ากันด้วยวิธีการต่างๆผน้มนาจิตใ จ, จของบุคคลนี้ตามคล้อยตามคำโฆษณาของเขาซึ่งการโฆษณานั้นมีการลงทุนมีการดำเนินการ ในการต้องการการยอมรับการนับถือการศรัทธาการเชื่อฟังแ ล, ล้วตลอดถึงซื้อหาสิ่งสินค้าเหล่านั้นมาไว้เป็นของของตนเพราะคนกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ถาสามารถสามารถน้มน้าใจิตใจของบุคคลให้ไหลไปตามคําโฆษณาเขาได้เขาก็ได้รับประโยชน์แต่คนที่ปล่อย ใ, ใจไหลนั้นจะสูญเสียผลประโยชน์ ถึงแม้จะได้ก็ไม่คุ้มค่าในหลายๆกรณีนั้นภาพกระตุ้นเหล่านี้เราอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เขาซึ่งบางครั้งบางคราวเหมือนก็เดินไปในหุนทางที่สมุดบัลีีติช้าคาว่ามีอันตรายรอบข้างรอบด้านซ้ายก็มีอันตรายข้างหน้าก็มีอันตรายข้างๆขวาวก็มีอันตรายข้างหลังก็มีอันตราย ทำยังไงจึงจะเดินไปโดยความสวัสดีไม่มีอันตรายไม่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนเส้นทางที่ดำเนินไปก็ต้องอาศัยความรู้สึกที่เรียกว่าเสียสลัดสลัดอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อเจดจำนงคือความตั้งใจทั้งหลายก็แนเดียวกับที่พระโพธิสัตว์สลัดอารมณ์ การเชิญชวนจากชวนให้กลับไปสู่พระราชวังเพื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิของพยามารก็นเอหรือการปฏิเสธไม่ยอมรับตำแหน่งความเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าพิพิสานหยิบยื้นให้ก็ดเองหรือแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเกิดยอมรับขึ้นมาก็จะกระจารเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนไม่ให้เขา ไม่ให้พระองค์ได้ดำเนินไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ในตอนต้นใดชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเจอทั้งส่วนที่ควรแก่การบำเพ็ญส่วนที่ควรแก่การลดละบัณเทาสงบประงับจะถึงดับไปจะเจอถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยปัญหาสําคัญอยู่ที่ความสามารถ ในการจะใช้ปัญญาขบเจาะวิเคราะห์ลงไปในเรื่องนั้นๆแล้วลดละในสิ่งที่ควรลดละบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญกำหนดรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่ควรกำหนดรู้โดยมีสัจจะคือตั้งใจไว้อย่างมั่นคงที่จะประพฤติจะกระทาอย่างนั้นให้ได้ เมื่อเริ่มต้นจะกระทำความดีมานทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตปัญญาจะต้องเพ่งพินิจได้เห็นว่าเป็นมานซึ่งจะคอยกัดฝังตัดรอนการศึกษาการประพปฏิบัติพัฒนาตนแล้วก็พยายามทำลายมานเหล่านั้นให้ออกไปจากใจเพื่อใจจะได้มีความสงบปังเกิดขึ้น แต่นั้นในธรรมะที่เรียกว่าอธิฐานะคืออธิฐานธรรมนั้นได้ทรงสอนไว้โดยสรุปว่าบุคคลไม่ควรประมาทในการใช้ปัญญาพึงตามรักษาและเพิ่มพูนไว้ซึ่งสัจจะให้พ่อคูณจะฆ่าคือความเสียสละให้มากขกึ้น และศึกษาทางที่จะให้เกิดเป็นความสงบระงับดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ในชั้นต่างๆและใช้เป็นปัญญาเป็นปทีปส่องทางในการดำเนินชีวิตนามจิตของตนเข้าสู่ผลคือความสุขความสงบดังกล่าวต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต่อความสงบสต่อ